พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่16กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าวางแผนข้างนอกปล่อยวางข้างใน วันนี้วัดของเรากิจกรรมของเราออกทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่านาคำน้อยตําบลบ้านกล้องอำเภอนายูงจังหวัดบุรรทานีออกกระจายเสียงเอฟเอ็มร้อเมกะเฮิรตซ์ ออกกระจายเสียงในวันนี้เพื่อเป็นการทดลองทดลองทดสอบว่าเราออกจากเสียงออกจากศาลานอกแล้วก็ไปขึ้นสถานีวิทยุห่างไกลเป็นกิโลนะลูกหลานนะจากนี้ไปสถานีวิทยุเพราะนั้นสายของเราไม่รู้ว่าผ่านป่าโรงพงไพไปถึงสถานีวิทยุไม่รู้จักหนูไม่รู้จัก กระรอกกระแตไม่รู้จักตัวตุน เ, เราก็ทดสอบทดลองวันสําคัญอย่างนี้แนหะเมื่อคราวที่แล้วก็วันเข้าพรรษาเราก็ออกทางสถานในวิทยุแล้วก็วันบุญเข้าประดับดินเราก็ออกอีกครั้งหนึ่งแต่วันเข้าฉลากวันนี้นะ่ะบุญทําบุญเข้าฉลา ก, กระพัดเราก็ออกอีกครั้งหนึ่งแล้ววันออกพรรษาก็คงจะกระถิ่นออกก็คงจะไม่กี่วัน พอเป็นการทดสอบทดอรองดูสถาในวิทยุของเราวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งวันนี้เป็นวันที่วันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช 2,559 แล้วก็บางคนศรัทธาแยิโยมก่อคงทางไกลหรือว่าผู้ยังไม่ได้ยินเสียงก็คงอยากจะทราบเพื่อนการว่ากระถิ่นวัดป่านาคำน้อยปีนี้เป็นวันวัน วันอะไรวันที่เท่าไหร่ขอแจ้งข่าวให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าได้รับรู้รับทราบนะกรถิ่นวัดป่านาคําน้อยเป็นกรถินสามมกขีมาจากกรุงเทพเจ้าภาพนะแล้วขอจัดเป็นกรถินสามมกขีวันที่23ตุลายี่สตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นวันอาทิตย์และวันนั้นเป็นวันจั ก, กรีด้วย วันที่23แล้วก็คงวันที่24คงจะเป็นวันหยุดชดเชยเอีกนะเพราะนั้นผู้ใดอยู่ทางไกลที่จะมาร่วมกระถินก็มาได้หากมีธุระก็ไม่ว่ากันปีหนึ่งมีครั้งเดียวในวัดของเราพนักงานศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะขอประกาศแจ้งข่าว ให้พวกเราท่านทั้งหลายไ ด, ได้ยินเสียงนี้แล้วก็ให้รับผูบร้รับทราบร่วมกันเป็นกระถินสา ม, มกีวัดป่านาคำน้อยของเราวันที่23าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถือว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถของพระด้วยนะพระสงฆ์ทั้งหลายที่ร่วมที่อยู่ในวัดของเราก่อนเนี่ยตอนเที่ยงวันนี้ก็วันเป็นวันลงอุโบสถ แล้วก็วันนี้เป็นวันพระสําคัญยิ่งของพี่น้องประชาชนชาวอีสานเหนือของพวกเราอันดับแรกก็ได้มีการไหวพระแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็ถวายทานอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณแล้วเกิดจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้จัดพัตานาฐานขณะนี้พระสงฆ์ก็เตรียมจัดพัฒนาฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะ อนุโมทนาให้พรเมื่อพระ ส, สงฆ์อนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พวกเราก็ทานรับทานอาหารตามอรทัยใสแต่ขณะนี้หลวงพ่อกำกำลังกล่าวปารบว่าวันนี้เป็นวันอะไรปารบเรื่องงานาที่ให้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเพราะพวกเรานา น, านๆจะได้มาพบมาเจอกันพอมาถึงแล้วก็หลวงพ่อ ก, ก็แจ้งข่าวเรื่องเรา ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังและก็พร้อมกันก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าเป็นวันพระพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีรักษาศีลอย่างไรขอเน้นย้ําอีกว่าผู้ที่ตั้งจิตอธิษฐานก่อนเข้าพรรษาว่าจะประกอบคุณงามความดีอะไรอย่าให้ขาดตก บ, บกพร่องนะคณะรัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคน ให้เข้มข้นเข้มแข็งในการประกอบคุณงามความดีทำอะไราการงานอย่างอื่นเท่ากับทำมาแล้วนะแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมอย่าให้หละแหลล้มเหลวให้จริงจังและจริงใจเพราะว่าอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของอ า, อาหารเข้าทางด้านจิตใจคุณงามความดีคืออาหารใจ ปัจจัย4ี่คืออาหารกายให้เราแยกให้ออกไม่ใช่ว่าเราทำหน้าที่การงานทุกอย่างแล้วจะมาสู่ความสุขทางด้านจิตใจไม่ใช่นะอันนั้นเป็นอาหารเลี้ยงทางร่างกายของเราในเมื่อเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงอิ่มมีพิมันขนาดไหนก็เถอะร่างกายมีจุดจบแต่ว่าเรื่องทางด้านจิตใจเรื่องศีลธรรม เรื่องคุณธรรมศีลธรรมก็มีจุดจบเหมือนกันแต่ว่าใช้เวลามากนะถ้าหากว่าพวกเราไม่ขมักขมเนไม่ตั้งใจจริงตาว่าจบนันคืออะไรก็คือทำประกอบคุณงามความดีพอเพียงพอแล้วก็เข้าสู่มรรคนิพพาน เ, าเป็นพระอริยะบุคคลสําเร็จเป็นพระอรหันนั่นแหละจบนะเแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงจุดนั้นน่ะยังไม่จบ อย่างเปลี่ยนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเป็นยาวนานทีเดียววันนี้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านให้ประกอบคุณงามความดีเกิดมาทั้งทีได้พบพรพุทธศาสนาได้พบได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุธทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ให้อัดให้ทำหลวงปู่หลวงตาที่ท่านให้อัดให้ให้ทำหลวงปู่เสาร์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่พวกเราได้ฟัง เทพธรรมเทศนาของท่านเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญเป็นวันอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกร ะ, ระคุณคือส่วนหนึ่งพวกเราเกิดมาทั้งที่ชีวิตเราเกิดมาจากใครเราที่ได้มรดกตกทอดมานี่เลือกสวนไร่นา บ้านพักพาอาศัยมาจากใครมาจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อแม่ของเราส่วนหนึ่งเรียกว่าปู่ย่าตายายของเราส่วนหนึ่งคือ ท, ทั้งหมดเราได้สเสวยความสุขหรือเราได้รับความสุขความสบายความสะดวกสบายก็เพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราได้สวดแสวงหาทรัพย์มาให้เราเราก็ได้รับความสะดวกในเมื่อพ่อแม่ของเราไปไหนปู่ย่าตายายของเราไปไหน ท่านก็ล้ม <c oughs> ลมหายตายจากไปตามอายุสังขารคร อ, อถ้าบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แต่บางท่านก็จากไปแล้วนะพวกเราที่อยู่เบื้องหลังอจะทํายังไงก็นี่แหละไม่มีอะไรที่จะหยิบยื่นให้ท่านเมื่อเราได้มาทําบุญอย่างวันนี้ละ่ะ อ, อพระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยที่นั่งอยู่ศาลาแห่งนี้พวกเราได้กล่าวคำถวายพัะทหารพระสงฆ์จากนั้นก็ให้พวกเรา อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณร่างกายเราส่งให้กายนะ เ, เงินคําทรัพย์สมบัติให้ส่งให้พ่อให้แม่ร่างกายแต่พ่อแม่ล่วงรับดับขันไปแล้ว เ, เราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้อันนี้เป็นการส่งกระแสะจิตกระแสะใจให้กับดวงวิญญาณที่เราได้ประกอบคุณงามความดีแล้วเราก็ส่ง ความคุณงามความดีที่เราได้กระทำไว้เนี่ยนะคือการตักบาตร ท, ทาบุญไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลเนี่ยนะอันนี้คือคุณงามความดาีจากนั้นคือส่วนหนึ่งก็เป็นของเราอีกส่วนหนึ่งก็เอากุศลส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกราระคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายาวงศาคณะญาติย่ยานมิตรสหายของพวกเราเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งไม่ใช่ว่าเราทาทุกวันไม่ไม่ใช่นะ เราก็ไม่ได้ทําทุกวันนานนานทีพวกเราจะได้มาทําอย่างนี้ในเมื่อทําแล้วให้พร้อมกันอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรคุณสําหรับพวกเราถ้าเมื่อท่านดวงลับไปดวงวิญญาณท่านตกทุกข์ใดยากอย่างไรให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ขอให้เจริญยิ่งด้วยลาบยศจะลเสริญสุขสุขกายสุขใจนะเมื่อเราทําบุญเราก็น้อมเ เป็นการมอบบุญกุศลให้กับผู้มีอุปกราระคุณสำหรับพวกเรานี่แหละอันนี้ถ้าเราคิดดูดูคิดดูแล้วนะครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะให้ประกอบปาะสะคุณงามความดีเมื่อตายไปแล้วอย่าเราอย่าไปหวังให้ลูกให้หลาน ให้ทาบุญให้กับเราเพราะว่ามันมันเลื่อนลอยละเกินาบางทีเขาอาจจะลืมหลงหลงลงืม อ, อย่างพวกเราเนี่ยนะไม่รู้ว่ากี่วันกี่เดือนบางทบางทีผมลืมทาบุญอุทิศสวนกุศลให้พ่อให้แม่ปูญ่ญาติตายายอีกต่างหากปีหนึ่งรละลึกไม่ได้เลยอย่างนี้แหละ เ, เพราะนั้นพวกเราได้พวกเราเองได้มาเกิดเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบ พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกเราประกอบ ค, คุณงามความดีเอาเองในขณะยังมีชีวิตอยู่จะไม่ดีกว่าวเหรอเราจะไปหวังให้ลูกหลานทําให้กับเราต่อไปลูกหลานบางคนก็ไม่เชื่ออีกต่างหากาได้เงินมาเราฝาวเออเอาลูกหลานเมื่อเมื่อข้าตายไปแล้วบุญเงินก้ อ, กอนก้อนนี้กอง น, นี้ให้ลูกหลานทําบุญอุทิศเนะ้เมื่อเราตายจัดงานศพของเราเนะ้อ เพอร์เขาจะแย่งกันทะเลาะกันเอกต่างหากพอจัดงานศพพอมาหลออมแหลมเทั้งที่เงินก้อนอื่นสมบัติอย่างอื่นเราก็ให้มีตั้งเยอะแยะนี่แหละความโลภมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพวกเรามาถึงจุดนี้พวกเราจะทำอะไรเราก็ทำเองเลยเส่วนที่มันเหลือก็เอามอบให้เขาเมื่อเราตายไปแล้วเราไม่ต้องบอกเขาเราไม่ต้องฝากฝังเขาเออลูกหลานได้ ลูกหลานไม่ต้องทําให้กับเราหรอกนะเราทําเอาเองพอแล้วละ่ะ อ, อจํานวนที่เหลือเนะะี่ยฮะจำนวนอย่างนี้อย่างนี้ให้แบ่งปันกันะนะสําหนวบจําหรั บ, รบพ่อแม่แล้วพ่อแม่ได้ทําเอาเองแล้วละ่ะถึงจะไม่ทําทานนะถึงจะไม่ทําทานเราก็รักษาศินอย่างเนี้ย อ, อไม่ต้องทําทานไม่เลยเอาเงินมา เ, เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านะ่ะ เราก็รักษาศีลเองไหว้พระเองนั่งภาวนาเองอย่างนี้แหละแล้วก็มีโอกาสก็ทาบุญทาทานไปบ้างทาทานไปบ้างการทาทานท่านว่าเป็นทางทางไปสู่ความสุขความเจริญความร่ำรวยในชาติหน้าคนที่มีอานิสงทานเกิดมาพบหน้าชาติหน้าจะเป็นผู้ไม่อดไม่ยากอันนี้ให้พวกเราจำใส่ใจและใส่เอา ฟังเอาไว้ว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าอเนกสงทานถ้าผู้มีอเนกสง์ทานดี เ, เกิดมาพบหน้าชาติน่าจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะในการทําบุญทําทานอเนกสงสินกับคุ้มครองอีกส่วนหนึ่งอเนกสง์ภาวนากต่ส่วนหนึ่งแต่ท่านก็นเน้นเรื่องอเนกสง์ภาวนานี่มากกว่าเพราะเป็นการรวบยอด เ, อเป็นการรวบยอดเป็นตาน กิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจให้จิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นคือการภาวนาแต่มันก็เป็นเกี่ยวเนื่องกัน เ, เราจะไปภาวนาถ้าเราไม่ได้ทานาอาหารล่ะเราจะทานนั้นมันอยู่ได้ไหมเนี่ยเราก็ต้องได้ทานาอาหารอาหารทานอาหารคืออั น, นสงทานาอเ น, นสงสิน เ, เราก็อยู่ในที่คุ้มครองอแล้วก็ภาวนาจิตใจก็ได้รับความสงบ มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเรื่อยๆว่าทานคือเปลือกศีลคือกพี่ภาวนาคือแก่นคือแก่นของไม้มันต้องอาศัยกันนี่แหละทานศีลภาวนานเป็นอย่างนั้นนะคณะสัตยาธิโธมเราจะไปภาวนาอย่างเดียวก็ได้อเ น, นสงมากแต่ว่าเราไปแล้วอดๆอยากๆละ่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกัน มีแต่อั น, นิสงทานอย่างเดียวมั่งมงมีสีสุขแต่อั น, นิสงภาวนาของเราเร า, เ, าเป็นคนหงอกเงา่าเตา ต, ตุนติดล่ำรวยก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันอพอได้เงินมาแล้วมีแต่โจรขโม ย, โ, ยโจรเบียดบังกันแกล้งเราเพราะอั น, นิสงศีลของเราไม่ดีก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกัน เพราะนั้นมันต้องทั้งสามอย่างทานศีลภาวนามันต้องไปด้วยกันเนอะสามขายอย่างพวกเราจะเดินไปด้วยความร่มเย็นผาสุขสุขกายสุกใจถ้าเรามีอั น, นิสง์ทานอั น, นิสงส์ศีลอั น, นิสง์ภาวนาเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะนะให้พวกเราศึกษานะศึกษาดูอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะเป็นลักษณะนั้นนะศรัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก่อนแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว มาเป็นทอดทอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเมื่อมาถึงจุดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็แนะนําสั่งสอนลูกหลานชี้ประเด็นให้ฟังเป็นลักษณะอย่างนี้นะลูกหลานนะให้พวกลูกหลานศึกษาให้ฟังนะแล้วก็ให้ปฏิบัติตามที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษามาพวกเราจะมีแต่ความสงบร้มเย็นเป็นสุกทางด้านจิตด้านใจถามว่าพวกเรา ห่างเหินจากธรรมะเนะี่ยคิดว่ามันจะสุขมันไม่สุขนะลูกหลานนะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายามีแต่ความหิวความหายกระหายมีแต่ความหิวโหวยมีแต่ความโลภโกรธหลงเข้ามาสู่จิตใจมีแต่อยากอยากอยากตลอดนะไม่รู้จะอยากไปเพื่ออะไรอีกไม่นานอีกสักวันหนึ่งก็จะแบ่มืออยู่แล้วนะอีกไม่นานพวกเราก็จะแบ่มือเอาน้ํารดมือกันแม้แต่หยดเดียวก็ยังไม่ติดอยู่ในไม่ค้างอยู่ในมือ เพราะนั้นให้พวกเราคิดดูให้ดีนะสิ่งเหล่านี้ควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานะั่นาละเลิศประเสริฐที่สุดนะทางโลกเราก็ไม่ได้ว่าการสวแสวงหาทรัพย์หลวงพ่อไม่ได้ตําหนินะมันขยันอดทนขอขอขอให้หาด้วยความสุดจริตอย่าไปหาทางทุจริตอย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปป้นอย่าไปจี้อย่าไปเบียด ไ, ไปบงัง เ, เป็นโลภเอาของเขาอันนั้นไม่ถูกนะแต่หาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรามันขยันการหาสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์หลวงพออ่อยกย่องออการสเแสวงหาทรัพย์แต่จะคิดว่าการส ะ, สะแสวงหาทรัพย์มีเงินคำทรัพย์สมบัติมากมายแล้วหลวงพ่อจะยกย่องหลวงพ่อไม่ยกย่องนะหลวงพ่อว่ามันหาได้แต่ทางโลกแต่ควรจะหันเข้ามาหาทางธรรมด้วยถ้าหากว่าทางธรรมก็ ไม่ขาดตกปกพ่องเออวันพระรักษาสินออภาวนาผมมีศินห้าประจําครับถึงผมจะรักษาถึงผมจะเสาะแสวงหาทรัพย์ก็จริงอยู่แต่ผมมีศินห้าครับเออนัหลวงพ่อเชิดชูในใจแล้วเออใช่อันนี้ถูกต้องนะออคือไม่หลงไม่ลืมตัวถึงจะทําทางนอกออแต่อริยะทรัพย์ข้างในก็พยายามคอยคว้าสนใจอยูออ่นี่เกิดประโยชน์เพราะว่า ทั้งได้ทั้งทรัพย์ภายนอกได้ทั้งทรัพย์ภายในเพราะนั้นถ้าว่าผู้ใดเอาม่มีแต่ทรัพยภายในอย่างเดียวไม่แ ส, สวงหาทรัพย์ภายนอกอันนั้นถ้าว่าเป็นคารวะญาติโยมนะขาดตกบกพ่องนะเป็นที่ตาหนิเป็นที่ดูถูกของชาวโลกทั่วไปไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันถ้าว่าเป็นอย่างนั้นเขามาให้มาบวชเป็นนักพรตนักบวชอย่างหลวงพ่อน่ย ไม่ต้อง ส, ะสะแสวงหาวางทิ้งทั้งหมดถ้าเป็นนักพจน์นักบวชถ้าวางเทงทั้งหมดนั่นแหะเลิดประเสริฐเลยเป็นนักพจน์ที่เสียสละเป็นนักพจน์ที่ไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรอันนั้นก็ถูกต้องนะอันนั้นก็คือตอกถูกต้องในหลักของพุทธะนะแต่ว่าถึงยังไงในหลักของการบริหารจัดการอย่างหลวงพ่อนี่หลวงพ่อทิ้งทั้งหมดไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นพอหลวงพ่อขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องวางแผนอีกเหมือนกันนี่ยนะ แต่ศรัทธาญาติโยมมาเกี่ยวข้องพระเนรลูกหลานมาเกี่ยวข้องจะอยู่อย่างงี้กินอย่างไงจะใช้อย่างไงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นอย่างไงหลวงพ่อก็จะต้องได้มองดูจุดนี้อีกเหมือนกันนะแต่ในใจของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อวางนะศรัทธาญาติโยมนั่งภาวนาที่ไหนหลวงพ่อวางในใจเลยหนะลวงพ่ออินร่างกายสังขาของหลวงพ่ออินอีกสักวันหนึ่งนะออจะต้องตายจะต้องเผาฝไยทิ้ง ภาษาอะไรเรื่องสองภายนอกกุติศาลาศร้ายญาติโยมจะตกปัจจัยปัจจัยสที่บริสุทธิ์บริบรูบรณ์ที่คนมากราบมาเคารพสักการะมีประโยชน์อะไร อ, อ, อันนี้หลวงพ่อก็ต้องวางไว้อีกจุมนวนหนึ่งแต่ส่วนลึส่วนลึกของหัวใจของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อวางนะคล้ายๆว่าวางปรงตกในจิตใจเลยอีกสักวันหนึ่ง ข้าพรเจ้าจะไปแต่ไปแต่ดวงใจดวงเดียวเท่านั้นละ่ะถ้าจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาชิสวะกิเลศนะหลวงพ่อก็เข้าสู่นิพพานไปเลยถ้าหากว่าหลวงพ่อไปอยู่ชั้นใดชั้นหนึ่งนั่นแหละแต่หลวงพ่อมีความมั่นใจมีความมุ่ง ม, มั่นว่าชาตินี้ของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะพยายามทําให้ดีที่สดุดทั้งกายทั้งวาจาทางใจนั่นแหละ ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะนัศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะแต่หลวงพ่อพูดไปเออหลวงพ่อบอกให้พวกเราเสียสละแต่หลวงพ่อนี่ก็ยังมีวัดมีวามีศรัทธา ญ, ญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องไปหมดเนี่ยทำไมหลวงพ่อจะว่าปล่อยวางมันปล่อยวางอยู่ที่ใจนะคณะนศรัทธา ญ, ญาติโยมนะคิดอยู่ที่ใจคิดอยู่เสมอหลวงพ่อไม่เคยลืมตัวเลยในเรื่องนี้นะนึกขึ้นมาเมืองลังมรังเมผวิสติ ข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่านาทีไหนต่อไปข้างหน้านี่เพราะนั้นข้าพเจ้าจะตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนก็ตามที่เป็นคุณงามความดีข้าพเจ้าจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองอย่างพวกลูกหลานได้เห็นได้ดูนนะเห็นไหมหลวงพ่ออยู่ในสถานที่ใดเวลาใดหลวงพ่อประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจไว้อยู่เสมอ ดันั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคนก่อนอยากจะให้ลูกหลานทุกคนคิดอย่างนั้นน่ะแต่ทางโลกอยากจะให้อยา่อยาให้ขาดตกบกพร่องทำหน้าที่ให้เต็มที่ในการสวัสวหาทรัพย์แต่ส่วนทางด้านจิตใจพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปปล่อยห่างปล่อยปา ล, ละเลยไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอันนั้นไม่ถูกต้องนะลูกหลานนะให้ไปทั้งสองอย่างอาหารกายก็คือส่วนหนึ่งคือปัจจัยสี่ อาหารใจคือคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคุณงามความดีบุญกุศลเนี่อาหารใจนะเราต้องให้อาหารทั้งสองอย่างถ้าขาดตกปกพ้องส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ไม่น่าจะถูกต้องนะถ้าหาว่าเราอาขาดอาหารกายแล้วก็เข้ามาบวช เ, เป็นนักบวชนักบวดมารักษาศีลภาวนาเนี่ยเราตัดทิ้งทั้งหมดอ า, อาหารกายเราไม่สนใจอย่างนั้นได้เลิศประเสริฐเพระพุทธเจ้าท่านยกย่องนะ พเพราะเป็นนักพจน์ทั้งปวดก็มีแต่ตัยมากท่านก็นให้มีบริขาร8เท่านั้นเองนะคือเป็นพระนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกคนวันนี้หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในแนวความพิดในแนวความคิดมากหลากหลายให้พวกเราคณะสัตยา ญ, ญาติโยมได้ฟังได้ศึกษานะเพราะพวกเราเป็นพุทธบริษัท4เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธทเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ การฟังสิ่งไหนให้ฟังหลายเลี่ยหลายเล่หลายเหลี่ยมหลายแง่หลายมุมให้ฟังให้รอบค้อบนะจากนั้นเราเมื่อฟังหลายหลายด้านแล้วเราก็พร้อมที่จะศึกษาและตัดสินใจจัดนับถือเลื่อมใสจุดไหนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องเป็นธรรมเราก็เลือกทำได้นะถ้าว่าเราไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยพวกเราก็คงจะจุดกระจุกอยู่มุมใดมุมหนึ่งไม่น่าจะถูกต้องนะ คนนั้นหลวงพ่อเองมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อจะชี้นาชี้แนะให้กับคณะทาญาทโยมโลูกหลานมุมนี้นะมองจุดนี้นะมองจุดต้านหน้านะถ้าเราพวกเราได้ฟัง MP3 หลวงพ่อนะพวกเราจะพ่อจะเดาแล้วพอจะนึกได้ว่าหลวงพ่อเนี่ยชี้ประเด็นให้กับพวกเราท่านทั้งหลายใช้สติให้ใช้ปัญญาควรจะใช้ปัญญายัางไงควรจะใช้ศรัทธายัางไง ควรจะใช้ความเพียรพยายามอย่างไรควรจะใช้ความอดทนอย่างไรนี่แหละหลวงพ่อจะบอกกล่าวให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้ฟังได้ศึกษาต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในเ ส, น, สนหน้าอุทิศส่วนกุศลน้าวันนี้เป็นวันสาคัญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว